Fifty languages. 34 34 bon t y f o u r n a r o the a i El tren. t a t train goes to Berlin, right? ¿Qué s a q u e s t el tren a Berlín? ¿When does t e t a i n a วันสุ r ทัลเทรนรถไฟไปถึงเบอร์ลินเมื่อไหร่คะ Quan a r ร i b a el t r น n a b e r l í ลินขอโทษค่ะดิฉันขอผ่านหน่อยได้ไหมคะ Perdó, q u กระพุกภาษาดิฉันคิดว่านี่เป็นที่นั่งของดิฉันค่ะ Crec que és el meu s ุส e n t ดิฉันคิดว่าคุณนั่งที่นั่งของดิฉันค่ะ crec que อ o สเตียตั้ง s ักรูทัลเมี l วยัตู้นอนอยู่ขบวนไหนคะโอเนสอลโกชัลยิดตู้นอนอยู่ขบวนท้ายสุดของรถไฟอัลโกชัลยิดิซาลกัวดัลเทรนและรถเสบียงอยู่ขบวนไหนคะขบวนหน้าค่ะ อเนจรรสถานอนาลกับดิฉันขอนอนข้างล่างได้ไหมคะปุกดูร์มิอาสดดิฉันขอนอนตรงกลางได้ไหมคะปุกดูร์มอมิชดิฉันขอนอนข้างบนได้ไหมคะปุกดูร์มดัลเราจะถึงชายแดนเมื่อไหร่ ไปเบอร์ลินใช้เวลานานเท่าไรคะร่ควิรรถไฟจะเข้าช้าไหมคะคุณมีอะไรอ่านไหมคะที่นี่มีอาหารและเครื่องดื่มขายไหมคะ ก s pot ดดัมนา a ัมมั e ใจเบลเดอ e ์กี่คุณช่วยปลูกดีฉันตอนเจ็ดโมงได้ไหมคะอำเภอเดอร์สเปอร a ตาลาเซ del matí?